เราก็นั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันต่อไปเรามาฝึกหัดความรู้สึกตัวก็ต้องมีความเพียนเพี่ยนที่จะทำมีความพอใจที่จะทำมีความขยันที่จะทำใส่ใจับการดี มีกายก็มาฝึกหัดเคลื่อนไหวรู้สึกตัวให้เกิดความเคยชินจนเป็นนิจใจ ใ, ห, ใ ห, หม่มีการสังเกตปฏิยาการต่างๆของกายของจิตเพื่อเหเป็นความจริงจริ ง, รงหลุดตามขันธหน้าต่างๆก า, า, ายใจของเรารูกทานำทำจะได้จัดระเบียบ จเกิดความคล่องตัวสะดวกในการดำานิชีวิตใจชีวิตทำหน้าที่การงานต่างๆเรียกว่ารักษาตนให้พ้นภัยภัยในโลกมีเยอะมากมายอากาศหนาวอุตุภภัยวัตภัยมินาสภัยธรณีวิบัติภัย โลคาภัยโจรภัยราชะภัยมรณะภัยภั ย, ภยวัตตาสงสารประมาทเพียงพัมนิดเดียวแล้วก็โอกาสที่จะเิศงอกงามไปสู่ความจเจริญก้าวหน้าก็น้อยมันจะไหลลงสู่ความเสื่อมโดยท้ายสุดก็คือ ุดหมายปลายทางของชีวิตทุกๆชีวิตคือความตายเราจึงใช้ชีวิตใ้อย่างเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ามีความผ า, าสุขการดำเนินชีวิตสู่ความก้าวหน้าก็ต้องมีสติสมัมปญญาสอสติสัสมป ญ, ญญาเป็นกัลยะาณมิตรความรู้สึกตัว ที่เป็นคู่ครองเป็นที่พึ่งที่ดีกับจิตใจของเราก็เรียกว่าอบอุ่นคนมีเพื่อนนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนคนไม่มีปัญญามันจะบินขึ้นที่สูงไม่ได้นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อนทํางานอะไรก็ไม่มีความสําเร็จมันไม่มีแรงสนับส น, นุนไม่มีกาลังใจมันไม่เป็นที่ยอมรับชั้นใดก็ดีพื้นฐานของชีวิตเราต้องมีความรู้สึกตัวกรรมาฐานนับหนึ่งเลยคือกรรมาฐานการนั่งการเดินการยืนการนอน นั่งไปคิดไปเดินไปคิดไปนอนก็ฝันกลางคืนก็ฝันกลางวันก็ว่าคิดบางทีกลางวันเราตื่นมาแล้วขนาดนี้ตื่นมาแล้วชั้นหนึ่งลุกจากที่นอนแต่ยังไม่ตื่นออกจากความคิดยังจมปลักอยู่ครั้างวันกลางคืนกลางวันกลางคืนอารมณ์ตกค้าง เราต้องอาศัยพื้นฐานของชีวิตเรามีความรู้สึกตัวตัดทันทีสลัดทันทียิ่งมีรูปแบบการฝึกการหัดนี้ยิ่งเห็นชัดเจนการดูลมหายใจการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะดูทอกองยุบเป็นรูปแบบการปฏิบัติจนทั้งเคลื่อนไหวแต่ลัขณนะเเคลื่อนไหวรู้สึกตัว ารนี้ชัดเจนก็คือการเคลื่อนมือ14จังหวะรู้สึกตัวตรวมทั้งจังหวะเริ่มต้นก็15จังหวะอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่ปรมาจารย์การจเจริญสติอิสานตอนบนคือจังหวัดเลยหลวงพเท e x t e r n a l โ y เป็นปรมาจารย์เมื่อยก 4-50 ปีที่ผ่านมา เป็นการปลุกวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงปัญญาชนการนำเสนอแล้วก็เป็นที่ยอมรับกำลังเดี๋ยวนี้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประเทศไทยก็มีรูปแบบนำเสนอให้คนได้มาฝึกมหาหัดตามตามกันมาทีหลังวิธีการนี้นไปที่วัดมหาธาตุก่อนเพื่อน ถือว่าเป็นวัดที่สอนเรื่องกรรมฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับบรรหาทานารเคลื่อนไหวมือสิบี่ชังวหวะแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับทักเท่าไหร่เพราะคนหลายคนเห็นว่ากิาการนี้มันประหลาดประหลาดก็เลยประยุกเป็นท้องพองยุบหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึก เมื่อก่อนยกมือจะมีคำปรนนะบริกรรมคู่ไปด้วยว่าตายตายตายตายหรือว่าติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งมีคำบนมีคำพูดคำกับตอนหลังหลวงปู่เทียนเจียพอ่ายกออกไป ให้เหือแค่สัมผัสรู้สัมผัสรู้กระทบรู้สึกกระทบรู้สึกเอาแค่ตัวรู้สึกเพื่อให้จิตเนี่ยออกมาจากความคิดทั้งระบบคิดแล้วก็ดีคิดแล้วก็วกไม่ดีคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปเอออกไปก่อนหรือแค่สัมผัสรู้สึกจะคิดแบบวิภาควิจารณ์จะคิดแบบ ว, ว, แบบวิตกวิจารณ์เงาออกไปก่อนหรือแค่เคลื่อนไหวรู้สึก มันก็จึงง่ายจิตก็ได้หลักกรรมฐานแบบง่ายๆเพื่อพาใจความรู้สึกตัวเป็นกายมิตรเป็นเพื่อนพอหลังจากที่เริ่มเห็นความคิดรู้ทันความคิดบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าเมื่อก่อนมันคิดยาวมันคิดจนกระทั่งมันกรอดไปแล้วหลงไปแล้วเผลอไปแล้วมีความโลภไปแล้วอิจฉาริษยาไปแล้วนะ เป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วนานลืมเนื้อลืมตัวตอนนี้มันกลับมารู้สึกตัวปับ๊บมันก็ตัดสั้นทันทีบางทีจะคิดไปกลางๆรู้เท่ารู้ทันตัดกลับทันทีบางทีก็คิดปับรู้ปุ๊บคิดปับรู้ปุ๊บทันกันทันทีบางทีก็รู้ตั้งแต่ก่อนคิดแล้วจิตมันปกติอยู่รู้สึกตัวอยู่ รู้ปกติอยู่ก็คือสติรู้สติอยู่ตอนหลังมันมีความคิดเกิดขึ้นมาสติดูจิตทันทีมันจะเห็นตั้งแต่ก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําแล้วจากนั้นมันทันขณะคิดขณะพูดขนาดทำหลังคิดหลงังพูดหลงังทํามันก็ทันตลอดปลอดภัยก่อนคิดนี้ถือว่าเป็นภัยวัฏฏสงสารก่อพวกก่อชาติมาก แต่เช้ายันมืดเช้ายันมืดเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องให้คุ้มดีคุ้มายคิดดีคิดไม่ดีมันปรากฏออกมาโดยที่เราไม่รู้เท่ารู้ทันแล้วก็หลงตกเข้าไปในหลมของความคิดเป็นกับดักไม่อยากโกรธก็โกรธไม่อยากเกลียดก็เกลียดนะอย่างเนี้ยจะต้งบางทีเราก็พึ่งพาใจตัวเองไม่ได้พึ่งพาใจผู้อื่นไม่ได้ เก็บเนื้อเก็บตัวหมกมุ่นปิดประตูขังตัวเองอยู่ในซอกมุมแคบๆ บ, บางทีเราก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับชีวิตของเราจมปลักปัจจนนี้เรามีทางออกก็คือทุกครั้งที่เกิดอารมขึ้นมาเกิดความคิดการปรุงการแต่งเราก็เลือกที่จะกลับมารู้สึกตัวตรงนี้แหละให้มีความเพียรลงไป มีการสำรวมลงไปมันเคยชอบดูเคยชอบทุกซนหาฟังหากินหาดื่มหาดมหาสัมผัสบรนี้เราเข้าหาการเคลื่อนการไหวของกายเรือว่ากายยานุปัสนสตรีปฐานเห็นกายในกายอย่างังไม่ได้สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอันดับแร ก, กต้องสำรวมก่อนแล้วก็เข้าหาความรู้สึกที่ฐานกายก่อนก็เรียกว่า สังวรประทานสังวรมาไว้สำรว ม, มาไว้ไม่พูดใดไม่พูดต่อมาก็คือวิทย์ออกซะสิ่งที่มันเป็นมันถินเครื่องเศร้าหมองไปในจิตใจของเราเอาออกไปซะเคยวิตกกังวลเคยติดสิ่งเสพติดเช่นกาแฟเช่นบุหรี่หรือว่า อื่นๆอีกมากมายที่เราเสพติดติดโทรศัพท์ติดเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเราออกไปก่อนหรือแค่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวกลับมาดูตัวเองกันมันก็เห็นความรู้สึกตัวชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, นบางทีเราก็เห็นอาการเจ็บปวดมันเกิดขึ้นบางทีจิตคิดแสดงออกบางทีก็ปกติบางทีก็คิดเป็นกุศลที่ก็เพชรคิดเป็นอกุศลรูปลดแสงสีกินเสียงต่างๆ บางทีก็ง่วงออกมาบางทีก็มีความเบื่อออกมาบางทีก็เกิดปิติอิ่มใจความสงบแสดงออกมาเราก็ดูหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ากายเปิดออกมาเห็นบทเรียนต่างๆบทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าบางทีก็มีความคิดที่มีความเจ็บปวดเมื่อยใจบางทีมีความหนาวมีความร้อนมีความหิวมันออกมาให้เราได้ดู เราก็ศึกษาอย่างต่างมันแตกฉานผ่านตลอดผ่านด้วยความรู้สึกตัวผ่านด้วยตัวสติการอนุรู้จ้ทั้งเห็นแจ้งจริงๆในการต่างๆเั็นอาการของกายของจิตเมื่อเราขยันที่จะวิจออกไปความคิดดีเราก็ออกไปความคิดชัว่วเราก็ออกไปจ้ทั้งเห็นตัวคิดนะ มันก็จะเป็นการสัมผัสรู้รู้การเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของจิตจิตนิคิดเก่งอาการของจิตหรือว่าทวารของจิตคือคิดอย่างเดียวเลยปรุงแต่งเก่งเราก็รู้เท่ารู้ทันว่ามันมีตัวแก้มีตัวปรับเคลืนสู่ธรรมชาติคืนสู่สมดุลก็คือกลับมาหาความรู้สึกที่ฐานกายอันนี้เราไม่ทิ้งเลย การเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวจะทําอะไรก็ตามรู้สึกตัวขยันภาวนานีขยันรู้คือขยันภาวนาภาวนาคือขยันรู้เรียกว่าพัฒนาคนที่ไม่พัฒนาก็แสดงว่าไม่เคยฝึกภาวนามีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็จะหลงทิศหลงทางลืมเนื้อลืมตัวพัฒนาก็ไปแบบ โมมากลากไปสังคมว่ายัางไงเราก็ทําตามสังคมแะ่ท้ายสุดก็ยังทุกข์กันอยู่ยังวุ่นวายสับสนกันอยู่เราก็จึงเชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้เรารู้มีสติรู้ไปในกายท่องไปในกายที่เรียกว่ากายญานุปัสสนาริฐานเป็นสติปัฏฐานหนึ่งมันก็จะเห็นเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์แสดงออกมาที่กายที่จิต พัฒนาตามระดับขั้นตอนไปเรื่อยๆมันจะเป็นบันไดไต่สู่จุดหมายปลายทางก็คือมีผลเหมือนกับขึ้นต้นไม้าทางพระองค์เก็บผลไม้มารับประทานการเข้าถึงความรู้สึกตัวที่ฐานกายเบื้องต้นท้ายสุดก็จะเป็นการพัฒนาที่เร า, าเดินทางสู่การพ้นทุกข์ทุกข์เพราะความคิดหยุดทันที หยดปรงหยุดแต่งทันทีแล้วเราก็รักษาไว้นะอนุรกราประทานกหมายถึงว่ารักษาไว้วางรู้ ร, รู้ตัวมัญหาเงินมีสลึงเพื่นมันจบไปครบบาทย้ายขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยเข้าบรรจงจะต่ายลงให้มากจะยากนานาหมายถึงว่าควางรู้ตัวนะัะสะสมแ ต, ต่ละขณะปัจจุบันขณะจนเป็นมหาสติปัฏฐาน คือรู้สิ่งไหนไม่ยึดสิ่งนั้นฉลาดผ่านฉลาดผ่านเป็นบทเรียนที่ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงจะมาสอนเราเราก็จึงเคารพพระธรรมทร ม, มาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกุศลธรมลธรมอกุศลธรรมเราก็เคารพทั้งหมดที่ใช่กุศลก็เคารพที่ไม่ใช่กุศลก็เคารพเคารพพระธรรมอันไหนเป็นกุศลมันความฉลาด เป็นความดีเป็นความสุขเราก็ทําทางกายวาจาใจอนไหนที่มันไม่ใช่ความฉลาดไม่เป็นบุญเบียดเปีเป่ยนตัวเองเบียดเปีย น, นผู้อื่นทางกายวาจาใจเราก็ไม่ทำอย่างเงี้ยเราจึงมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันตรงจุดพอดีจะขับรถเราไม่ต้องไปหมุนล้อเราไม่ต้องไปเข็นเราไม่ต้องไปโจูงนั่งตรงจุดที่เป็นคนขับ สตาร์แล้วขับไปค่อยๆฝึกค่อยๆหัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันตรงจุดพอดีก็เหมือนกับการที่เราหันกลับมาดูความรู้สึกที่ฐานกายนั่งเดินยืนนอนเคลื่อนไหวตรงจุดพอดีได้เพราะการเคลื่อนมือ14บชั่ววัมันจะกวนนะกวนอย่างมากสภาพทำต่างๆที่ถูกจัดระบบไม่ว่าจะเป็นนิวรธรรมความห่วงความสงสัยถูกจัดระบบ การพยาบาตทความพุ่งสร้างต่างๆถูกจัดระบบจะเกิดความยุติธรรมเรื่องของกายไม่เบียดเบียนจิตใจเรื่องของจิตใจก็ไม่เบียดเบียนกายของเราจะเกิดความยุติธรรมเราจะใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติต่อไปเป็นยังไงที่เรียกว่ากายเบียดเบียนใจก็เช่นป่วยกายป่วยใจก็ป่วยด้วย เ, เบียดเบียนกันแต่พมีความรู้สึกตัวครับกายป่วยแต่ใจไม่ป่วย กายปวดแต่ใจไม่ปวดอย่างนี้นะกายหิวแต่ใจไม่หิวไม่เบียดเบียนถึงจิตถึงใจมันเป็นยังไงที่เอาใจเบียดเบียนกายเช่นคิดมากทุกมากก็พาให้นอนไม่หลับนร่างกายก็เลยไม่ได้พักเลยจิตก็พากายของเราบางทีก็ไปนั่งนะเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้ยหรือบางทีจิตใจของเรามันก็เบียดเบียนกายนะดูหนังดูละครที่เวาเตะเล่นไม่ได้พักผ่อน บางทีใจก็เบียดเบียนกายอยากได้เงินมากๆครับงานหนักอย่างทั้งป่วยทายสุดหลายคนก็เสียดายชีวิตที่ใช้ชีวิตอย่างไม่บัญญาบรรยังเราก็เห็นเป็นตัวอย่างมากมายมาแล้วอย่างเง้ยนะบางทีใจทุกข์เนเบียดเบียนกายกระโดดตึกตายแขวนคอตายฆ่าตัวตายมันเบียดเบียนกันด้วยไม่ยุติธรรมพอมีความรู้สึกตัวปั๊บมันเกิดบาปยุติธรรมทันที มันมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้แหละให้มันขึ้นในสมองเลยนั่งเดินยืนนอนทําอะไรก็ตามเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเพื่อเป็นการพิสูจน์กันว่าศาสนาธรรมความจริงมันมีจริงหรือเปล่านะคนที่มิจฉาทิฏฐิจะไม่เชื่อเลยว่าเออมันมีจริงๆก็จะไปทําอะไรอีกมากมายะตีโคง้งจะทั้งเกิด ภูมิปัญญาของบรรพฤษเป็นศาสนาพิธีอาพิธีเข้าล่อสวดผ่านยักษ์บ้างอะไรบ้างมากมายเหลือเกินบางคนก็อกสั่นขวัแขวนสวดด้วยเสียงที่ไม่ธรรมดาใช้เครื่องเสียงแรงแล้วก็ให้พระที่ท่านสวดน่นะบุคลิกลักษณะต่างๆมีอาการแสดงออกที่ทำให้คนเกิดศรัทธาเกิดลทธิปฏิหารต่างๆมากมาย ก็มีการสร้างภาพประกาศโฆษณากันแล้วก็จึงนีง่ยแหละศาสนาพิธีก็ต้องรู้จักไม่เป็นมงคลตื่นกล่าวเช่นเมื่อสองวัน ก, นก่อนก็บอกโลกจะแตกวันที่สามที่ผ่านมาเขบอกจะเกิดเหตุการณ์หนักๆอีกหลายอย่างคนไม่มีสติก็บุญวายแต่คนที่มีสติก็ไม่ได้เป็นไรก็รู้สึกตัวอยู่ปกติอยู่ เราจะเปลี่ยนไปเข้าวุ่นวายเราไม่หุ่นวายก็สับสนเราไม่สับสนก็มีปัญหาเราก็ไม่ได้มีปัญหาเกิดปัญหาที่เราเขาไม่ได้เมตตาเราเราก็เมตตาเาขาก็ไม่รักเราแเราก็รักเขามันกลับกันอย่างนั้นกลับมาที่ตัวเราว่าปตัวจะพาเราเดินทางไปสู่ความเป็นปกติของจิตขืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้ๆของชีวิตก็ทําทให้เราได้กําไรเมื่อเรารู้อย่างนั้นเราก็เป็นกรมิด พ่อแม่ลูกต่างๆสองคลมครอบครัวชุมชนเราก็สามารถที่จะแบ่งปันกันได้ความสุขสันติสุขสันธิภาพต่างๆแสดงสออกกันมาทางกายวาจาใจของเรามีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้นะมันจะเป็นเรื่องของความจริงละกาวนี้สิ่งที่ปรากฏแต่ลักษณะที่กายที่ใจเป็นอาการของกายของใจ เราดูนานๆอยู่นานๆเราก็จะเห็นเป็นกฎของพระไตรลักษณ์แสดงออกแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแท้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งหลายทั้งปวงมันปรากฏมาให้เราได้เกิดการปล่อยวางจริงๆมันยึดถือไม่ได้แม้ทั้งร่างกายที่เราแสนหวงตาหูจะมกลิ้นกายใจเนียเราก็ยังบังคับบัญชาก็ไม่ได้ไม่เจ็บมันก็เจ็บไม่ปวดมันกปวดไม่ให้หนาวมันก็หนาว ไม่ให้มันหิวมันก็หิวให้มันนั่งนานๆมันก็นั่งไม่ได้ล้วก็รู้จัก่านที่จะอดโอยอ่อนแอเปราะบางก็กลายเป็นจุดอ่อนแล้วก็มีความเข้มแข็งเป็นการเติมเต็มขึ้นมาเป็นความสมบูรณ์เป็นความสมดุลของชีวิตเราจนกระทั่งมันเหมือนกับว่าได้ทีพึ่ง ชีวิตนี้ถ้าไม่มีหลักของกรรมฐานนี่ไม่ได้ที่พึ่งเลยมนุษย์ในโลกนี้ประมาณเจ็ดพันล้านคนคนที่จะมารู้เรื่องพุทธศาสนานี่น้อยน้อยมากๆนอกนั้นก็ยังหาอยู่หากินแย่งชิงประจัยสี่ห้าหกเจ็ดปดกันอยู่แย่งกันเราโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยมีพุทธศาสนาเรามีคำบอกคำสอนนับตรงไปตรงม า, าเรื่องของมหาติฐานสุด ที่เรามานั่งอยู่ที่นี่หนที่นี้ก็แนวเคลื่อนไหว14จังหวัดไม่ใช่หมายถึงว่าชอบไม่ชอบถูกผิดรวบเปรียบเทียบเหตุผลต่างๆเสียเวลาเคลื่อนไหวรู้สึกจะกระทั่งมันติดเนื้อติดตัวกับวิบตาก็รู้สึกตัวลมมากระทบก็รู้สึกตัวเสื้อผ้ามาโดนตัวก็รู้สึกตัวจะหันซ้ายหันขวาก็รู้สึกตัวนั่งลงไปกดทับ มันก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนวิญญาณก็อยู่ที่นั้นเมื่อเราเจตนารู้สึกตัวที่ไหนสติปัฏฐานก็อยู่ที่นั้นถ้าเราไม่เจตนารู้สึกตัวจิตก็ทยานออกไปเป็นสาญญจัยานเราก็ใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าไม่มีหลักสเปสสปะไปอันนี้ก็คือชีวิตที่ถ้าแม่เราเกิดความไม่มั่นคง ไม่มีความสะดวกแล้วก็ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความเจริญอะไรเลยเพวกเราก็จึงให้มีใจของเราเนี่ยมีสติรู้รู้อยู่ที่ฐานกายก็จะเกิดความเป็นปกติในจิตในใจของเราขึ้นมาเมือ่อศีลมันมีมันก็เกิดความสุขศีลมันมีเกิดความเย็นขึ้นมาเมือ่อศีลมันมีมันก็มีปกต์มากมายเป็นราบเกิดขึ้นมาเป็นราบสกาแล้วแต่พอมาติดติดราบสกาแล้ว ไม่่ไม่จะเกิดความโลดมาแทนแต่เราไม่กำหนดความรู้สึกตัวกำหนัดก็จะเกิดขึ้นมาแทนมาเกิดกำหนดก็พุง่งพรวดออกไปสู่ความทุกข์ตรงๆเลยเป็นวัตถุ ก, กรรมคุณเมื่อเกิดความพอดีก็เกิดประโยชน์เกิดความไม่พอดีก็เกิดโทษขึ้นมาวัตถุ ก, กรรมมาคุณมากไปน้อยไปเราก็จะต้องมารู้จักปรับสมดุลอะไรที่ควรใช้ไม่ควรใช้ อะไรคือความพอดีพอแล้วดีแต่เราทั่วๆไปส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอยู่คือดีแล้วพอแล้วก็ยังไม่รู้ได้ตรงไหนคือดีที่เรียกว่าดีดีจริงๆก็คือบุญนะั่นนะทุกคนต้องการทำบุญทำทานรักษาศีลแต่ว่าพอแย่ก็ถึงตัวปฏิบัตินิดน้อยมากของเราช่วงนี้ก็อบอุ่นเพราะว่าวัดข้างๆหาจากนี้ไปประมาณสักสองโล สองโลสามโลวันนี้ก็ปฏิบัติกันแบบแนวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเราก็เห็นก็สวดมนต์ทำบัตรตั้งแต่เช้าว่าพร้อมกับเราเหมือนกันตอนนี้กําลังเทศอยู่เหมือนกันนะไปไหนมาไหนก็จะมีคนพูดถึงการเจริญสติปัฏฐานแนวเคลื่อนไหวแต่ว่ารูปแบบนี้มาหลายรูปแบบนิดนึงอันนี้เราก็ไม่ต้องสงสัย ควาสงสัยก็คือวิจิกิจฉาแล้วไม่ต้องสงสัยทําไปก่อนวิสัยบัณฑิตไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ปฏิเสธไม่เชื่อแต่ไม่ปฏิเสธให้ทําก็ทําดูพลิกมือรู้สึกตัวยกมารู้สึกตัวลองทําดูแล้วก็เดินไปเดินมารู้สึกตัวอ่าลองทําดูลองฝึกดูบางทีเรานั่งดูลมหายใจเข้าออกอ่ารู้สึกตัวอ่าลองทําดูนะดูซิว่าจิตของเราเมือ่อออกจากความคิดมันจะเป็นยังไง มายกความรู้สึกตัวเราก็ฝึกจะมระทั่งรู้5นาทีรู้1ชั่วโมงรู้1วัน2วัน3วัน4วันเป็นเดือนเป็นปีตรงนี้พระองค์ได้กล่าวว่าถ้าใครก็ตามรู้7วัน7เดือน7ปีอย่าง น, น้อยๆนะเช้าฝ่าพระองค์1ปีองค์คนหามาา6ปีนะคนรุ่นหลังนุจนคนรุนหลังปฏิบัติตามนะ7ปีจะได้ เป็นพระอรหันต์ด้วยอย่างน้อยๆเลยถึงไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นอนาคามียพนาคามีก็หมายถึงว่ารู้ทันตัวราคาตัวปฏิกะราคาคือการให้ราคาการให้ราคาสิ่งไหนจิตจะพุ่ไปหาสิ่งนั้นปฏิกะคือความดหงิธไม่พอใจไอ้ตัวนี้มันจะพาไปหาความโกรธส่วนราคามันจะไปหาความโลภ อันนี้คืออนาคามีมันละได้อันดับต้นเลยก็คือละได้ความโลภความโกรธความหลงบางครั้งบางคราวละได้บางครั้งบางคราวก็ละไม่ได้ความรังเลสงสัยนะการยึดกายเป็นเรานะหรือว่ายึดติดรูปแบบต่างๆพวกนะั้นอันนี้มันเป็นการเดินทางของจิตก็เรียกว่าสั่งยชศนะเราได้เห็นยางเหนียวของชีวิตเรานะเหมือนๆกันทุกคนเลย เรจึงมารวมตัวกันเป็นบรรยากาศของกาลยามิธแล้วอาศัยกาําห น, น, น, านะนดวันตั้งแต่เมื่อวานเรต้นมาแล้วกำหนดวันเจ็วันเต็มของแต่ละเดือนให้คนมารวมตัวเพื่อให้เกิดความสะดวกในเรื่องของปัจจัยสี่ในเรื่องของการปฏิบัติอย่างมีพลังเราจะได้อาศัยพลังของกาลยามิตธดลนิของวิปัสสนาญาณ คนที่จะได้ดลนีลวงอรุณของวิปัสสนาลวงอรุณของการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหนึ่งการยาณมิตร่รักนักรบหน้า ย, ยกย่องอดทนต่อกันได้ไม่พาไปทางที่เสื่อมมีความลึกซึ้งอันนี้คือการยนานมิตรของเราเวลาทุกเราจะได้เห็นเขาเวลามีปัญหาเะไได้เจอกับเขาบุคคลเหล่านี้ะแต่เวลาสุขๆุขเนี่ยเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่กำลมองเราอยู่ มือถือช่วยตรงๆที่ก็ช่วยอ้อมๆนะั่นคือกาลยามิทของเราอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จประการที่2รู้จักไข้ครวนอย่างแยบคายคือเรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้าเรามีโยนิโสมานุษการกับหมายถึงว่ารู้จักคิดให้เป็นมันไม่ทุกข์หรอกแยกแยะคุณค่าแทบยังไงคุณค่าเทียมยังไงคิดแบบปลุกเล้าไปยังไงนะ ผูกเล่าคุณธรรมมันเป็นยังไงคิดแบบสามัญลักษณะพื้นๆเลยมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะหรือว่าสืบสาวหาเหตุให้ดีๆเห็นเป็นอย่างนี้ผลมันจะเป็นนี้ผลอยนี้มาจากเหตุอย่างนี้หรือว่ามันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางไปก่อนครูบาอาจารย์พ่อแม่บรรพบุพ ร, บรุษนะเรียกว่าด ล, ม ล, ลดมระดมสมองนะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับบ้านได้ บางทีก็มีมิตรแทมทีก็มีมิตรเตียมบางทีก็มิตรปอกลอกบางทีก็มีมิตร เ, เ, เป็นเพื่อนตายของเราบางทีก็มีมิตรอุทธรัปกาละต่างๆมากมาย ม, มันจะคมเลยมันจะเห็นเลยชัดๆเจนๆเลยเนียเนื่องจากมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนอย่างนี้นะเราก็เลยให้ใจเรามีสติอยู่กับกายนะบางที่พึ่งคนอื่นไร้ก็ต้องพึ่งตัวเองอัตถิอัตโนนาโตคําสอนใดก็ตามสอนให้พึ่งผู้อื่นปฏิทตาทะ เป็นเสนาวิชชาเป็นลักษณะของหมู่มากลากไปอันนั้นไม่ใช่คำสอนของศาสนาคำสอนของศาสนาคือให้พึ่งกายพึ่งใจของตนอัตตาเฮตโนานาโถแล้วก็ทำประโยชน์กับผู้อื่นด้วยทำดีไว้กับโลกนะนรัพูดให้ฟังในท้ายสุดนี้ก็ขอให้พวกเราที่มารวมตัวปฏิบัติธรรมในคราวนี้ก็ใช้ความรู้สึกตัวที่ฐานกายจนั้งเห็นว่านาจิตธรรม แล้วก็เข้าถึงสภาวะความเป็นปกติของจิตตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกหนันงตน